แต่ทางจิตใจไม่ได้เช่นยังไงทำบุญไปแล้วเนี่ยเราขี้โลแเราหวังไห้โดนหวังไห้นี่อะไรต่างๆนานาอันเนี้ยทางจิตใจไม่ได้แต่ได้ทางวัตถุอาแต่บางคนใช่ไดูนะบางคนยากจนเงินทองข้าวของอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่ปรากฏว่าเขาทำบุญทางด้านทางด้านแรงกายเนี่ยนะทางด้านจิตใจเขาเขาทำมาดี าบางทีอจิตใจดีช่วยเหลือเสียสละโดน ด, าดน่าโดนว่าอะไรก็อะไรอะยอมได้นะให้อภัยนะอดทนมีขันติอะไรเงี้ยโอ้โหราะบุญของทางนี้เขาเข้มแข็งทางจิตใจทางจิตปิ ญ, ญญาณหรือบางทีเนี่ยอะไรนะบางคนพอมีเงินหน่อยให้อีกคนหนึ่งช่วยอะไรอะใส่บาทให้อ่ แต่จเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยจะลงแรงไงลงเงินลงขันเอให้คนอื่นเขาเ อ, าอาไปซื้อของให้แล้วก็ไปใส่บาตพระให้ด้วยนะอะไรเงี้ยเออันนั้นอันนั้นทางด้านเงินทองคนนั้นได้แต่ทางด้านจิตใจเขาก็มีศรัทธาอยู่แต่ว่ามันไม่มากไงเพราะว่าไม่ได้ลงมือไม่ได้เป็นผู้ลงมือเองด้วยไม่ได้ปฏิบัติเองด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ลงมือเองนี่ลําบากกว่า แม้จะต้องเดินไปซื้อแม้จะต้องมาทําแม้จะต้องไปถวายวันะคนที่ไม่ใช่เงินของตัวเองเลยข้าวของก็ไม่ใช่ของตัวเองแต่คนที่ได้บุญทางทางกําลังกายนะแล้วก็ถ้ายิ่งจิตใจเขาเขาเขาก็เห็นดีด้วยว่าทําบุญอย่างนี้ดีด้วยนะจิตใจเขาก็ได้ด้วยจิตใจเนี่ยเขาได้ด้วยนะเพียงแต่เขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวของมาเสียสละ เพราะนักข่าวนี้เนี่ยคนนี้นะคนที่มีจิตใจอย่างเงี้ยแม้มีนิดหน่อยเนี่ยทำบุญไปจะได้บุญทางจิตวิญญาณเนี่ยมากยิ่งกว่าคนรวยๆทำบุญไปร้อยล้านด้ยอีกคนหนึ่งทำบุญแค่บาทเดียวเนี่ยแหละแต่ได้บุญมากกว่าทำบุญร้อยล้านถ้าคุณคุณคุณเข้าใจเรื่องนี้ได้นะเพราะนั้นมันจะไม่หลงว่าทำบุญวัตถุ เนี่ยจะไม่หลงว่าไปทำบุญอย่างนั้นแล้วสาคัญกว่าทางด้านจิตใจเพราะจริงๆทางน่านจิตใจสาคัญกว่าทางด้านเลี่ยวแรงทางน้านจิตบิญญาเนี่ยสคัญกว่ากันเยอะเลยเพราะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนนะทั้งชาตินี้ชาติหน้าบอกแล้วทั้งวันนี้แล้วก็ทั้งพรุ่งนี้ก็จะได้นะแล้วก็ท่านก็มีตรัสไว้อีกนะเรื่องของการทาทานเนี่ยท่านบอกว่าเป็นไง พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าสาทุสูตรข้อที่เ7จท่านบอกว่าทานทำประโยชน์ให้สำเร็จได้เสมอแม้เมื่อของมีอยู่น้อยเห็นหมคราวนี้นะดูนะทานก็ทำประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แม้เป็นเพียงความศรัทธาก็ทำประโยชน์ให้สำเร็จได้ยิ่งความศรัทธานี่เป็นจิตโดยตรงด้วยคราวนี้ไม่มีวัตถุเข้าของเลยนะมีแต่ ที่ศรัทธาเท่านั้นก็ทำประโยชน์ให้สาเร็จได้นักปราดทั้งหลายกล่าวว่าการทำทานเสมอด้วยการรบเนี่ยการทำทานเนี่ยเสมอด้วยการรบพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยแต่ชนะคนขาดที่มีมากได้ฉะนั้นถ้าผู้ใดเชื่อมั่นในการทำทานอยู่ย่อมให้ได้แม้สิ่งของจะมีน้อย ผู้ให้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าคือคือที่ท่านตัดตรงตรงสองแถวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าท่านหมายความว่าบางคนเนี่ยมีข้าวของมีอะไรแค่แค่นิดหน่อยเนี่ยแต่ขนาดมีน้อยเนี่ยก็ให้ได้ยิ่งคนมีของน้อยเนี่ยแล้วกล้าให้ได้นี่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยสมมติว่ามีอยู่บาทเดียวนี่แหละเอา ทั้งเนื้อทั้งตัวชีวิตนี้มีอยู่บาทเดียวเอาบาทเดียวอาจจะน้อยไปเอาสองบาทแล้วกันเนี่ย <c oughs> นะเอาสองบาทแล้วกันชีวิตนี้ไปอยู่สองบาทเท่านั้นแหละอ่าแต่คุณเชื่อไหมว่าโอ้โหคนที่ยิ่งมีน้อยอย่างเงี้ยถ้าโดยความเปจริงนะยิ่งหวงที่สุดเลยเพราะมันมีน้อยอยู่แล้วยิ่งหวงนะกูอยู่นึกว่าโธ่เอ้แค่สองบาทเท่านั้นเองมันจะไปอะไรกันนะกันหนาะไอ้นั่นกูคิดแบบคนมีอ่ะกูคิดแบบคนมีเยอะ ถึงคิดอย่างนั้นแต่ลองเป็นคนจนจ ร, จ ร, จ ร, จริงๆคนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยกูรู้ปะค่ากันตายในะไอ้บาท2บาทนี่แหละเพราะมันคือชีวิตของเขาจริงๆเลยไอ้บาทสองบาทนั่นแหละแต่ขนาดมีน้อยอย่างเงี้ยให้ได้ให้หมดเลยด้วยสองบาทก็ให้หมดเลยก็มีไงประวัติของอาอนาถาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยใช่ไหมให้หมดเลยนะให้จนหมดแล้วจริงๆ จนซับในอะไรในคลังของใช้ว่าอะไรอ่ะในในที่ที่เก็บเงินของตัวเองอ่ะจะเรียกว่าคลังไหมคลังมันจะท้องบักคลังหรือเปล่าคลังที่ใช้กับชาวบ้านดช่ไหมคลังใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมออตูเซฟเหรอแหมสบายใหม่เอ้านั่นแหละนะคือไม่เหลือเลยอะ่ะหมดเลยนะจนกระทั่งหมดเลยต่หลังอะ่ะ เหมือแต่ชุดตัวเองเนี่ยแต่อยากจะทำบุญเนี่ยยังถอดผ้ า, ผาสมัยก่อนก็จะมีผ้าผ้าดผ้าอะไรพวกนี้นะถอดถวายเลยขนาดตัวเองจะไม่มีแล้วบางทีต้องอดด้วยนะไม่มีจะกินนะ่ะไอ้ที่ตัวเองได้อยู่เนี่ยถวายพระไปเลยตัวเองอดก็ก็ยอมอกเลยคืออดกินนะแต่อิ่มบุญ โอ้อิ่มบุญมีความสุขใจมากเลยใครใครกล้าอิ่มบุญบ้างกันบ้าใครกล้าอดอดกินนะแต่อิ่มบุญเนะี่ยใครกล้าไมมโอ้มันไม่ง่ายนะจริงจริงมันไม่ง่ายเลยพูดเนี่ยคุณฟังง่ายง่ายแต่ความจริงโดยสภาพจริงๆสภาว่างจริงโอ้โหยากคุณคิดเอาตัวเองก็แล้วกันว่าบางทีเอ้ยในกระเป๋ามีตั้งหลายบาทเยนะ สมมติเอามีสักอออเท่าไหร่ดีห้าสิบบาทอบางทีเออน่าจะช่วยเหลือน่าจะอะไรสักหน่อยบางทีวุ้ยวันนี้มีแค่ห้าสิบาทเองที่ยังไม่ค่อยยอมให้เลยบางทีอะ่ะยิ่งถ้าบอกแล้วถ้ามีอยู่แค่สิบบาทอะ่ะยิ่งน้อยลงมาเนี่ยโอ้ยเรามีน้อยอยู่แล้วมีแค่สิบบาทเองให้คนรวยๆก็ให้ไปให้คนมีเงินคนอื่นให้ไปคุณจะคิดอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะจริงๆตัวเองไม่อยากให้เพราะว่ามีน้อยอเพราะเรื่องนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระสูตรเนี่ยคุยว่าถึงบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยการทําทานสําเร็จน่ยท่านบอกว่าทําทานเนี่ยสำเร็จแน่แต่ตอนแรกท่านพูดถึงวัตถุทานนั่นเองอะนะว่าเสร็จตอนหลังท่านมาพูดถึงศรัทธาเห็นไหมบอกว่าทานทำประโยชน์ให้สําเร็จได้เสมอแม้เมื่อของมีอยู่น้อย คือไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคนรวยเลยท่านพูดถึงคนจนขอมีน้อยนี่แหละแต่คนจนเนี่ยมันมีอีกสองอย่างเหมือนกันคนจนประเภททำบุญทำทานเพื่อหวังรวยใช่ไหมกับคนจนที่ทำบุญทำทานเพื่อเพื่อให้จริงจริเพราะว่าคิดว่าเออมันมั น, มนก็คนอื่นเขาก็คงไม่มีเหมือนเราอะ่ะเพราะนั้นมันควรเกื้อกูลมันควรช่วยเหลือกัน เพราะันจิตใจจะต่างกันเลยแต่อีกคนหนึ่งทําเพื่อหวังว่าเราจะได้อะไรอ่ะพ้นทุก์เราจะได้สบายมีความสุขมีเงินทองมากกว่านี้เพราะันอีกคนหนึ่งอ่ะทำบุญแล้วโลภแต่อีกคนนึงทําเพราะเอื้ออาธรแต่คนอื่นเนี่ยมันมันเป็นสภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าแม้แม้ของจะมีน้อยเนี่ยก็กล้าทํำไงเสร็จแล้วคราวนี้แม้ไม่มี ข้าวของเลยแต่ก็มีศรัทธาศรัทธาแปลว่าอะไรบ้างฮะถามพวกคุณไว้เดี๋ยวเผื่อพ่อท่านเกิดมาถามพวกคุณแล้วก็ตอบไม่ได้นั่งเจออยู่ธรรมะบนกระดานเน่ย <c oughs> <c oughs> นะเอาก็เอาของพ่อท่านก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมมีอยู่สามอะ่ะเพราะเนี่ยแม้คุณไม่มีข้าวของเลยแต่คุณมีศรัทธาอยู่ คุณมีความเชื่อถือดูอนะคุณมีความเชื่อฟังคุณมีความเชื่อมั่นถ้าคุณมีแค่อย่างเนี้ยท่านก็ตรัสว่าสามารถทําประโยชน์ให้สําเร็จได้แม้ไม่มีเงินทองไม่มีเข้าของก็ตามอะแต่คุณมีแค่ศรัทธาสามอย่างนี่แหละคุณสามารถทําประโยชน์ให้สําเร็จได้เพร้อคําว่าทําประโยชน์ให้สําเร็จได้นี่ท่านหมายถึงทุกเรื่องนะ ท่านไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะเรื่องเท่านั้นไม่ใช่เพระ้ะเห็นไหมว่าต่อให้บางคนไม่มีเงินทองแต่จะช่วยคนอื่นเนี่ยให้พ้นทุกข์หมายถึงแก้จนก็ได้เอาแก้จนให้คนอื่นเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินทองเลยคุณว่ามีสิทธิ์จะแก้เขาได้ไหมจะช่วยเขาได้ไหมให้พ้นทุกข์ได้ แม้ไม่มีเงินทองอยู่แหละก็พระเจ้าท่านก็ทํามาแล้วอ่ะก็ท่านช่วยให้คนอื่นพ้นทุกเนี่ยใช่ไหมเพราะคนอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยจนอยู่ใช่ไหมจริงจริงที่ทุกเนี่ยเพราะอยากรวยอหละถึงทุกพระเจ้าท่านแก่เนี่ยท่านโอ้ท่านมีปัญญาท่านรู้ถึงต้นเหตุไงว่าต้นเหตุที่คนจนแล้วทุกเนอ่ยใช่ไหมอยู่ที่ตรงไหน อยู่ที่กิเลสยิ่งโลภอยากได้มากกัแหละมันก็ยิ่งทุกข์เพราะจริงๆความจนไม่ใช่ความทุกข์ความจนเป็นความสุขก็ได้ความจนไม่ใช่ความทุกข์นะแต่คนชอบไปเข้าใจผิดใช่ไหมว่าความจนโอ้โหทุกตายเลยขืนจนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไปเข้าใจผิดเองทาพรเจ้าเนี่ยท่านแก้ปัญหาแก้จนไม่ต้องใช้เงินเลย แต่ถ้ามาแก้ใจคนวิธีแก้ของพระเจ้าเนี่ยแก้จนคือคือแก้ใจให้ใจเนี่ยนะอย่า ก, กลัวจนให้ใจอย่า ก, กลัวจนแล้วยิ่งพอไม่กลัวจนนี่ใช่ไหมเออกล้าจนด้วยใช่ไหมยิ่งกล้าจนเนี่ยโอก็ไม่ทุกข์กันเลยเพราะคนที่จะกล้าจนได้เนี่ยเขาก็ เขาเขาแสดงว่าเขาอะไรอ่ะเห็นเป็นสุขอยู่แล้วเขาไม่ไม่เห็นมันเป็นทุกข์แล้วเขาถึงจะมากล้าเหมือนกับคนกล้ามาบวชเงี้ยกล้ามาบวชเพราะเห็นว่าต้องเป็นสุขอยู่ใช่ไหมทั้งที่บวชลําบากกว่าเดิมเหมือนกันใช่ไหมต้องโอ้โหมีศีลมีวินยัยมีอะไรจะต้องปฏิบัติตั้งเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะกล้าไปทําอะไรได้เนี่ยคุณต้องคิดว่ต้องดีอ่าเพราะฉะนั้นคนที่กล้าจนได้เนี่ยก็ต้องชัดเจนแหละ ว่าจนนี่สิจริงๆแล้วดีกว่ารวยด้วยซ้ำไปอ่าเพราะว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่าคนจนมีความสุขได้แล้วก็จะยืนยันในโลกนี้ให้เห็นชัดเจนด้วยว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความรวยคนรวยเยอะแยะไปที่ทุกส่วนใหญ่ด้วยคนรวยละ่ะทุกไม่ได้มีความสุขเลย ไปไหนก็ลําบากต้องขึ้นรถคันใหญ่ๆต้องขึ้นรถราคาแพงลําบากมากคิดให้ทันนะถ้าคิดไม่ทันเนี่ยให้ท่านพูดผิดหรือเปล่ า, าคิดให้ทันโหต้องใส่เสื้อราคาแพงใช่ไหมเดินไปไหนต้องมีบริวารแวดล้อมไปไหนคนเดียวไปไม่ได้นั่นเหลือความสุข ไปไหนต้องมีคนคุ้มครองต้องมีคนป้องอกันไปไหนก็กลัวเดี๋ยวเขาจะจับตัวไปเรียกคาถายหรือเปล่าไม่ใช่แค่ตัวเองนะมันทีลูกหลานอะไรต่ออะไรนั่นหรือคนรวยมีความสุขมันชัดอยู่แล้วไม่จริงอยู่แล้วคนจนที่มีความสุขไปไหนก็ไปได้จะนอนตรงไหนก็นอนได้ <c oughs> ออิสร ะ, ะเสรีจะตายไป ใช่ไหมตัวอย่างก็มีอยู่แล้วใช่ไหมผู้เจ้าท่านพาธรรมมาแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเงินเลยคนจนไม่ต้องมีเงินเลยเมีความสุขยิ่งกว่าท่านบอกเลยว่าท่านท่า น, ท, านท่านตรัสว่ายังไงว่าท่านอะไรนะมีสุขเพียงถ่ายเดียวเท่า น, นั้นเองไม่มีเลยว่าว่าจะไม่สุขแต่พระเจ้าเป็นที่กุลหรือใคร น, นะ อ่าใช่ไหม αι? โอ้โหเผลอเดีเ๋ดยวก็ฝันร้ายบ้างเดี๋ยวก็ไอโนยบ้างเดี๋ยวก็ไอหนีบ้างสุขกว่าที่ไหนโอ้ยสุขกว่าท่านเลยอ่ะเนี่ยท่านจริงๆถ้าทําตัวอย่างท่านทําอะไรมาหมดละเพราะฉนั้นที่คนจนแล้วยังทุกอยู่เพราะอยากรวยเห็นไหมจริงจริงปัญหามันอยู่ประเด็นเดียวเพราะอยากรวยเพราะถ้าถ้าเลิกคิดอยากรวยได้เลยนะ จบเลยไม่ต้องไปหาเงินให้เขาเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นอะไรหรอกรับรองเลยจบช่วยได้แต่ตอนนี้ก็ความจริงอีกอ่ะว่าที่ที่ที่แก้ปัญหาโลกนี้ไม่ได้ปัญหาเนี่ยนะที่แก้ไม่ได้ก็เพราะคนมันไม่ยอมจน <c oughs> เพราะจะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองส่วนที่กล้าจนได้ พ, พวกนั้นก็จะ พบความสุขแล้วก็จะพ้นทุกข์แต่ส่วนที่ยังยังอยากรวยอยู่ก็เอาไปแย่งกันไปแข่งขันกันไปอะไรอะ่ะเบียดเบียนไปอะไรกันก็ตามใจเขาแหละเขาก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าถึงบอกว่าเนี่ยแม้มีเพียงแค่ศรัทธาเนี่ยถึงได้สามารถทําให้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ม่ต้องถามคุณว่าคุณมีความเชื่อมันอ่นนะยาง ว่าจนดีกว่ารวยเพาอย่าเผลอนะเวลาไปคิดราคาคิดอะไรแพงๆเนี่ยแล้วอย่าเผลอนะเออเวลาไปขายของได้กำไรเยอะๆอย่าเผลอดีใจนะบอกให้รู้อ่าเพราะถ้าคุณศรัทธาเนี่ยคุณชัดเจนแล้วจบเลยจะมาบอกได้เลยนะท่านกบถึงบอกเนี่ยนักปราดเห็นไหมการทำทานเสมอด้วยการรบท่านบอกเนี่ยเนี่ยเพราะเสมอด้วยการรบจริงๆเพราะอะไร ท่านท่านเปรียบนะที่ท่านเสมอด้วยการลบเนี่ยท่านบอกว่าเพราะว่าวีรบุรุษเนี่ยคือคนกล้านั่นเองเ น, นะวีรบุรุษเนี่ยคนกล้าเนี่ยแม้มีน้อยแต่ชนะคนขาดที่มีมากได้เนี่ยแหละท่านใช้สำนวนเนี่ยที่บอกว่าการทำทานเสมอด้วยการลบคือเหมือนกับการลบละ่ะทำไมท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ทำไมเปรียบอย่างนี้พ่อบอกแล้วต้องกล้าไง อกี้อัตมาถึงยกตัวอย่างเนี่ยกล้าโจนไม่เล่ากล้าโจนไม่เล่าพ่อท่านใช้สันวนนี้เลยกล้าจนไหมอืมนะอันเนี้ผู้จ่าท่านใช้เนี่ยวีระบุรุษอ่าวีระบุรุษแม่ถึงบอกว่าแม่มีน้อยถ้าเปรียบว่าแม่มีน้อยวีระบุรุษคนเดียวอะ่ะชนะคนขี้ขาดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านาก็นยังได้เลยวีระบุรุษคนเดียวเท่านั้น ฮะอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่กล้าบ้าบินนะเดี๋ยวฟังให้ดีก่อนนะ <c oughs> แม่เดี๋ยวเลยไปวีละบุรุษวีละสตีบ้าบินไปทำอะไรแบบไม่เป็นโลเป็นพายอะไรไม่ใช่นะ <c oughs> กล้านี่ต้องหมายถึงกล้าในทางที่ดีน ะ, <c oughs> ะที่ท่านบอกว่าเสมอด้วยการรบเนี่ย ที่เปรียบอันนี้เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเข้าสู่สงครามก็คือไปเจอภาษานั่นเองเนี่ยนะที่ที่เปรียบเสมอโดยการรบเนี่ยเหมือนกับเวลาเราเจอภาษาก็เหมือนกับเราเข้าสู่สงครามอนัมาเคยเปรียบว่าสันติอโศกเนี่ยนะใครมาอยู่ที่สันติอโศกเนี่ยอนัมาเปรียบเหมือนกับมาลงสนามรบอ่าถ้าใครจะไปฝึกที่ภูผาอันนั้นเป็นโรงเรียนฝึก ขึ้นไปฝึกบนนั้นอฝึกแล้วอยากจะรู้ว่าฝึกมาได้ดีหรื อ, อยังลงมาสนามลบแล้วจะรู้ว่าท่านฝึกมาได้กี่มากน้อยแล้วอ่าจริงๆสันตียโศกเนี่ยโอ้ยนันที่สุดแล้วขนาดสมณะหลายรูปยังพูดเลยบอกโอ้โหสันตียโศกนี่นันที่สุดแล้วอัตตามานะเยอะ ที่อื่นไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีแต่พูดง่ายๆว่าประเภทก็อดฟาเธอร์ก็อดมาเธอเพราประเภทเจ้าพอ่อเจ้าแม่อะมันไม่มากเท่าที่นี่มันมากเพราะว่าอะไรเพราะหน่วยงานมันเยอะแล้วก็พอหน่วยงานเยอะเนี่ยมันกระจายไงเพราะฉะนั้ น, ม, นมันมีหยุมมียิ้มเนี่ยหน่วยงานเนี่ยมันกระจายเยอะแล้วเวลาทํางานก็ส่วนใหญ่ก็ทําแบบกระจายด้วย มันไม่ค่อยได้ทำแบบองรวมเหมือนที่อื่นที่อื่นก็ทําแบบองค์รวมที่นี่กระจายเพราะมันก็เลยมีก๊กต่างเนี่ยเยอะเพราะมีเป็นสิบก๊กยี่สิบกว่าก๊กไม่รู้ผแผนกก็เคยจดออกมาที่สันติสุขต้องเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแผนกใช่ไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูสิแต่ละก๊กแต่ละก๊กมันก็ต้องมีหัวหน้าก๊กใช่ไหมอยู่ โอ้พรานันต์นเรื่องเยอะเรื่องมากที่ปรึกษาเลยหัวงอกวัเนี่ยที่ปรึกษาที่อยู่ที่สันติสุขกับหัวงอกไว้ก็เพราะอย่างเงี้ยเรื่องมันเยอะจริงๆออโทรศัพท์ตามตัวเลยนะโอ้ ก็ไม่แน่บางบ้นนี้อาจจะเจอนะนะอาจจะประกาศบ้านขนานี้เกิดปฏิวัติแล้วนีมนนีมนมาประกาศอะไรนะกดอายการศึกหน่อยอ่าเอาเอานี่ก็ผูดไปชัยฟังนะพูทเจ้าท่านกระเปรียบจริงๆว่าจริงๆเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสเราอะอาตมาไม่เอากิเลสคนอื่นนะ เอาว่าการต่อสู้กับกิเลสเราก็เหมือนกับการทำสงครามกับตัวเราเองเนี่แหละเพราะฉะนั้นขณะใดาที่เราเนี่ย เ, เห็นกิเลสเราแล้วเราก็สู้กับกิเลสเรานั่นแหละเรากําลังทําสงครามกับกิเลสให้ให้นึกเลยบอกโอ้โหนี่กําลังเข้าสู่สนามรบแล้วนะไม่ต้องรบกับใครอะรบกับตัวเองอยู่ยแหละฮะ บ้าตายเหรอเอาลบกับตัวเองคุณก็แม้ดุยดุยดุยดุยสู้เลยเหรอก็ฉลาดหน่อยสิมันก็มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาให้สู้ใช่ไหมล่ะคุณโ ง, ง, ง, ง่โง่เซ่อเซอเข้าไปข่าศึกก็ฟันคุณคอขาเท่านั้นเองอะ่ะ เ, เอาก็ดูสิ เอาดูว่าค่าศึกมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนเอาค่าศึกหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมตัวเล็กตัวใหญ่ ม, ม, มันมันมันล่าสันหรือเปล่าหรือว่ามันผอมๆมมาเอาคุณก็ต้องดูก่อนต้องรู้รู้ค่าศึกก่อนใช่ไหมหมายถึงว่าต้องรู้กิเลสก่อนว่ากิเลสตัวถ้ามันตัวใหญ่ยางกะลักยากษปักหลานมาเงี้ยโอ้โหเขืนสู้ไปตายแง่เลยเอาใช่ทีอาจจะต้องถอยมาตั้งหลักมั่ง่งใช่ไหมหรืออย่างน้อยก็ไปหาอาวุธวิเศษ อะไรเป็นอาวุธวิเศษตะบากไงแล้วแหมตบากก็คือเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ตะบากนี่แหละคือเครื่องมือหรือศีลก็ตามนี่แหละเป็นอาวุธวิเศษเพราะเอ๊ะจะมาตั้งตบาบากข้อไหนดีวะนี่มันยากนะมันยากนะคุณจะต้องได้อะไรได้พระขันเพชรหรือจะได้อะไรอ่ะได้เอะอาเอาสมัยนี้ก็โอ้โหได้ ลูกระเบิดทองคํามาหรืออะไรที่มันจะโอ้โหมาสู้กับยักษ์นี้ได้อันเนี้ยกูต้องฉลาดเองแล้วอันนี้ไม่มีใครไปช่วยได้ล่ะมันก็จะต้องรู้แต่ถ้าเกิดโถเอ้ยยักษ์แคะมาตัวกระจ้อยร่อยมาตัวนิดเดียวกิเลตตัวนี้ยักษ์แคะโถเอ้ยดีปเปรียงเดียวก็กระเด็นแล้วใช่ไหมอันเนี้ยตั้งตะบาหรือตั้งศีลอะไรฟันฉับทิ้งไปก็จบแล้วอ้า อยู่ที่เราอ่ะอั น, น, น, นเนี้ยนี่เนี่ยแดดเนี่ยนักรบนักรบจะต้องรู้คุณจะต้องรู้ค่าศึกสำนวนจีนเขาถึงใช้ถ้าคุณรู้ค่าศึกแล้วคุณรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขาด้วยนะแล้วก็รู้เราด้วยนะคุณรบชนะทุกครั้งอ่าหัวไอที่แพ้ๆอยู่เนี่ยหมายความว่ายังไงที่แพ้ๆอยู่บางทีรู้แต่เขา ไม่ยอมรู้เราเลยนะว่าเราเป็นยังไงรู้แต่เขาอะเพราะพยายามรู้เขาแล้วก็ต้องรู้เราแม่เขานี่นะแม่ไม่รู้เขานะฟังดูดีนะแม่ไม่รู้เขาแต่รู้เราคุณยังพอเอาตัวรอดได้นะอ่าเพราะนั้นนะ่ะยังเอาตัวรอดได้แต่รู้เขาแล้วไม่รู้เราเนี่ยคุณจะเข่าเลยละ่ะคุณจะโง่เขา่าคุณจะไปไม่รอด อ, นะอ่นะอันเนี้ยเนี่ยผู้เจ้าท่านก็เปรียบเสมอโดยการลบอันนี้ดีนะบางคนเนี่ยเข้าฟังสำนวนเนี่ยที่ผู้เจ้าท่านตัดเอาไว้แล้วโอ้โหเขานั่นมากเลยเพราะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะพอเวลาเจอภาษะบางทีเนี่ยมันจะหนีอยู่เรื่อยไงจะหนีอยู่เรื่อยไม่อยากเจอไม่อยากคือคือแบบฤาษีเกินไปอะ่ะจะหนีปัญหาอยู่เรื่อยจะอะไรอยู่เรื่อยแต่พอฟังอันนี้แล้วอ่ะ เออรู้นะว่าท่าหนีข้าศึกไปเรื่อยๆมันเสียเมืองหมดนะ อ, อ่าไอ้หนีนี่มันต้องหนีไปตั้งหลักหนีไปซ่องสมลังเตรียมสู้นะมันไม่ใช่หนีอยู่เรื่อยหนีอยู่เรื่อยหนีจนตกเหวหนูนะ่นน่ะตายเท่านั้นเองอ่ะเพราะนั้นพอผมก็ฟังสํานวนว่าเสมอด้วยการลบเนี่ยบอกเออใช่นะคราวนี้บางทีมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันเกินกําลังเออมันก็ต้องถอย ไม่ใช่หนีนะถอยไม่ใช่หนีถอยเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันมันต้องอะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่ไหวก็มาตั้งหลักก่อนถอยไม่ใช่หนีเพราะการสู้รบมันต้องมีทั้งบุกมีทั้งถอยนี่คือการสู้รบว่าเราจะสู้กับกิเลกก็เหมือนกันบางทีตัวมันใหญ่ไปก็ต้องถอยตัวมันเล็กๆ ก, กรบบุกก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนคุณรู้ละโอ้โหคนนี้สายพูดกันไม่รู้เรื่องเลย ขืนบุกเข้าไปอ่ะด่ากันเละเอา้าวคุณก็ต้องฉลาดสิคุณก็ต้องลุยเฮ้ยนี่ถอยไว้ก่อนนะนะหรือไม่ก็หาที่ปรึกษา <c oughs> หาใครหาหาหากุญซือหาอะไรเออมาม า, มาช่วยไอ้นั่นหน่อยสิอา้าวคุณก็ต้องอย่างนั้นน่ะคุณจะไปโง่ทําไมละ่ะพราะบอกแล้วขืนลุยเข้าไปเละแน่เลยอะ่ะก็ต้องฉลาดเนี่ยสู้กับกิเลสก็อย่างนี้แหละ พ้นศาสนาพูดถึงต้องมีปัญญาประกอบด้วยพ้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผู้เจ้าท่านก็ บ, บอกเลยนะถ้าบุคคลใดเชื่อมั่นในการทําทานอยู่ย่อมให้ได้แม้สิ่งของจะมีน้อยผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้านะไม่ใช่แค่โลกนี้อะโลกหน้าก็ด้วยนะเอา้าวันนี้เราก็นะพอพอเพียงเท่านี้อ่ะ